สิเราศึกษาธรรมะเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตวงเล็บเปิดสิกรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับมหัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกธรรมะจริงๆไม่ได้ยากเท่าที่คิดธรรมะไม่ได้อยู่ไกลไกพวกเราอยากมาเรียนธรรมะอันแรกเลยต้องมาเรียนก่อนว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราศึกษาธรรมะแทบเป็นแทบตายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตชีวิตของคนเรามีความทุกข์มากมายเลย ทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บไข้ทุกเพราะความตายทุกเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกเพราะต้องเจอของที่ไม่รักทุกเพราะอยากแล้วไม่สมอยากสารพัดจะทุกเลยมีความทุกข์ขึ้นมามากมายมันมีความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราจะต้องแก่เราก็ทุกเพราะความแก่ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องเจ็บไข้เราจะทุกเพราะความเจ็บไข้ ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องตายเราก็ทุกข์เพราะความตายถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมายอมรับไม่ได้แต่ถ้ายอมรับได้ไม่ทุกข์เท่าไหรหรอกยิ่งถ้ายอมรับได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ทุกข์เลยร่างกายนี้มันต้องแก่เออมันแก่ก็เรื่องของมันกายนี้เจ็บเรื่องของมันร่างกายนี้จะตายเรื่องของมัน จิตใจต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็เจอของที่ไม่รักอะไรอย่างนี้อยากแล้วไม่สมอยากอะไรอย่างนี้นี่จิตใจมันเป็นคนเจอก็เป็นทุกข์ทางจิตใจถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาการพลัดพรากการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังอะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเวลาเจอเราจะไม่ทุกข์หรอก เราต้องเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งจิตใจเรา ย, ยอมรับว่าธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของโลกก็คือร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมดาของโลกก็คือจิตใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันด้วยเหตุผลต่างๆนานาถ้าเราภาวนามากๆเราจะเห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นของเขาอย่างนี้แหละพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันพลัดพรากมันไม่สมหวังมันก็ธรรมดาเรียนจนมันเห็นว่าธรรมดา ถ้าธรรมดาแล้วไม่ทุกข์แล้วแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาใจหลวงพ่อจะรู้สึกว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใจของเราเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์สุขทั้งหลายเป็นของธรรมดานี่มันไม่ได้รู้สึกแปลกปรลาดอะไรที่คนจะอยู่จะแก่จะตายเราเองก็จะเจ็บจะแก่จะตายอะไรเราก็เฉยๆถ้าเราเรียนจนเราเห็นธรรมดาของชีวิต สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายกับใจนี่แหละคอยรู้ว่าธรรมดาของกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมดาของจิตใจต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองๆมีความอยากขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นทุกทีนี่เรียนอย่างนี้เพื่อให้เห็นความจริงฉะนั้นคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจคนทั่วไปยอมรับความจริงไม่ได้ถึงมีความทุกข์ถ้ายอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกข์ทำอย่างไรถึงจะยอมรับความจริงได้นี่เป็นเรื่องใหญ่แล้ว นี่เป็นเรื่องวิปัสนากรรมฐานแล้วนี่คือการเอาความจริงเอาของจริงมาป้อนให้จิตมันดูเอาความจริงให้จิตมันดูทุกๆวันไปวันหนึ่งจิตมันก็ยอมรับความจริงถ้าเราเอาแต่ความโกหกหลอกลวงมาให้จิตมันดูจิตมันก็เชื่อแต่เรื่องโกหกหลอกลวงเช่นปีใหม่เราก็อวยพรกันให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมันก็ปลื้มๆกันไปอย่างนั้นนี่ก็หมดไปครึ่งปีแล้วไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรมีแต่ยิ่งแก่มันก็ยิ่งแย่สิ มันอวยพรโกหกกันนี่ใช่ไหมมันต้องอวยพร อ, อย่างนี้ปีนี้เออถ้ายังมีบุญอยู่ก็คงจะรอดนี่อวยพรซื่อไปอวยพรหลอกๆกันอย่างเวลาเราเจอคนแก่เราต้องพูดเอาใจใช่ไหมโอ้ดูสดใสแข็งแรงความจริงในใจเราก็นึกเหี่ยวจะตายอยู่แล้วนี่เราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับของจริง การทำวิปัสสนาคือการเอาของจริงมาให้จิตมันดูก่อนที่เราจะยอมรับความจริงว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกอย่างไม่คงที่เราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องไม่สมหวังอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะเห็นธรรมดาได้ต้องเห็นซ้ำๆเห็นทุกวี่ทุกวันเอาความจริงให้ดูทุกวันความจริงก็คือกายกับใจนี่ดูลงไปเลยกายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ มันบังคับได้หรือไม่ได้ดูไปทุกวันจนวันหนึ่งเราเห็นเออร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วก็ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลามันคงที่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกถ้าใจยอมรับอย่างนี้นะรู้สึกว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมารวมกันชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกสลายไปเสื่อมไปเรื่อยๆพอเสื่อมไปเรื่อยๆและเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ทุกแล้วรู้สึกธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละ ทางจิตใจเราก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงมันก็ชั่วคราวอะไรอะไรมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยดูไปอย่างนี้ต่อไปเวลาเจอกับของที่ไม่รักก็ไม่กลุ่มใจเพราะรู้ว่ามันชั่วคราวเวลาพลัดพรากจากของที่เรารักเราก็ไม่กลุ่มใจไม่เสียอกเสียใจไม่เสียดายเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวมันแก้ปัญหาตรงๆเลย คนเรามีความทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็มีกายกับใจนี่แหละเราก็มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจมาดูความจริงของกายของใจดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูทีแรกยังยอมรับไม่ได้ต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเบื้องต้นจะเริ่มเห็นความจริงก่อนว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นความจริงอย่างนี้ก่อนอย่างพวกเราหัดภาวนาพอใจเราตั้งมั่นขึ้นเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมันทำงานของมันได้เองเดี๋ยวมันก็คิดของมันเองเดี๋ยวมันก็เผลอของมันไปเองเดี๋ยวมันก็รู้สึกขึ้นได้เองมันทำอะไรต่ออะไรของมันได้เองดูไปอย่างนี้ดูซ้ำซ้ำซ้ำ จนเห็นเลยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันถัดจากนั้นก็มารู้กายรู้ใจต่อไปอีกพระโสดาบันกับปุถุชนก็ภาวนาอย่างเดียวกันนั่นแหละคือรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปรู้ไปอีกรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกจนวันหนึ่งมันรู้แจ้งขึ้นมาอีกลึกซึง้งกิเลตันหาก็อ่อนกําลังลงไปเรียกว่าพระสกิทาคามี รู้ลงไปอีกในกายในใจสติปัญญามันจะขมวดเข้ามาเรียนรู้กายเป็นหลักเลยรู้ลงไปรู้ลงไปกายมันของหยาบมันดูง่ายแล้วก็ละง่ายดูไปดูไปจะเห็นเลยกายนี้มันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆวันใดที่เห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆก็หมดความยึดถือกายก็จะหมดความกลุ้มใจเพราะต้องกระทบอารมณ์ทางกายกระทั่งกายเรายังไม่ยึดถือเลยเราจะไปยึดถืออารมณ์ที่กระทบทางกายทาไม ที่เรายึดถือร่างกายอยู่เพราะว่าร่างกายนี้เป็นช่องทางให้เรากระทบอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินอย่างเรามีตาอยู่ใช่ไหมเราก็ได้ดูรูปสวยๆอยู่มีหูก็ได้ฟังเสียงไพเราะไพเราะเสียงดีๆอยู่มีจมูกได้กลิน่นหอมอยู่นี่เรารักร่างกายเพราะมันเอาของดีมาให้เราเรารู้สึกว่ามันดีแต่ว่าวันหนึ่งเราจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ของดีตัวร่างกายเองก็เป็นตัวทุกข์ล้นล้วนถึงสิ่งภายนอกที่มากระทบจะดีบ้างเลวบ้าง แต่ตัวมันเป็นตัวทุกข์มันเหมือนร่างกายเราเป็นแผลถลอกปอกเปิกอยู่ผิวหนังล่อนเห็นเนื้อแดงๆเอาน้ําหอมเอาแป้งมาทาให้เราเราก็แสบใช่ไหมไม่เอาหรอกของข้างนอกไม่เอาแล้วเพราะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นี่เราเรียนนะเรารู้กายไปเรื่อยวันหนึ่งเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนเลยเราก็จะไม่หลงไปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนี่จิตมันจะไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย มันพ้นจากความยินดีนร้ายในรูปเสียงกลิ่นลดโพธภพภะเรียกว่ามันพ้นจากกามและปฏิฆะพระอนาค า, ามีละกามและปฏิฆะได้เพราะไม่ยึดกายหมดความยึดกายเพราะเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้นล้วนเห็นอย่างนี้พวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่ายังไม่เห็นความจริงเราต้องรู้กายไปเรื่อยๆวันหนึ่งถึงจะเห็นความจริงแต่ก่อนจะเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้นล้วน มันจะเห็นก่อนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคนที่เรียนจากหลวงพ่อช่วงหลังๆส่วนใหญ่ไม่เกินเดือนหนึ่งจะเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นแล้วว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นแล้วว่าจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเรานี่เริ่มเห็นอย่างนี้แล้วในเวลาไม่นานหรอกยกเว้นพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆไม่ดูของจริงถ้าดูของจริงรู้สึกตัวขึ้นมา ใจตั้งมั่นรู้กายเคลื่อนไหวคอยรู้ไปเรื่อยนะหรือใจมันแวบไปก็คอยรู้ทันไปมันก็จะเห็นเลยเออทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวอย่างนี้ง่ายเหลือจิตอันเดียวเป็นตัวเราถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็ได้โสดาบันนั่นแหละวิธีจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราคือให้รู้ไปจนช่ำชองแล้วเราก็จะเห็นจิตเกิดดับเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับ เกิดที hmm. ่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับบางคนเห็นยังไม่ถึงตรงนี nice. huh. ้บางคนเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเที่ยงจิตดวงนี้วิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมายังเห็นว่าจิตมีดวงเดียวอยู่ไม่เห็นจิตเกิดดับจริงอันนี้ยังละไม่ได้หรอกข้อสาคัญอย่าอยากเห็นจิตเกิดดับให้เขาเห็นเองฝึกสติของเราไปเรื่อยเราจะเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับ <ambiente> นี่จิตเกิดดับไปเรื่อยๆดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่มีตัวเราฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตก็ไม่ใช่เรากายมันไม่ใช่เราตั้งแต่เริ่มหัดมาได้สักเดือนหนึ่งก็เห็นแล้วเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราหัดไม่นานก็เห็นแล้วเห็นจิตไม่ใช่เราต้องดูแล้วดูอีกดูจิตมันทํางานไปวันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาเออ<ก upgrades>ไม่ใช่เราเหรอกตัวเราไม่มีแล้วถัดไปก็รู้สึกตัวอย่างเดิม ดูแบบเดิมนั่นแหละรู้กายรู้ใจไปเห็นความจริงของกายกายเป็นตัวทุกข์ลำพังเห็นไม่ใช่เรานะคล้ายๆเรายืมของเข้ามาใช้แต่เรารู้สึกว่าของนี้เป็นของดีของวิเศษเรายังหวงอยู่เหมือนเราไปยืมรถเข้ามาใช้แล้วเข้าใจดีความจริงเขาก็พยายามทวงคืนอยู่เรื่อยแต่เราก็ทำหน้าหน า, นาหน้าทนไม่คืนอะไรอย่างนี้ใช้ไปเรื่อยรู้สึกเป็นของดีของวิเศษวันหนึ่งใช้ไม่ไหวแล้วน้ามันแพงเหลือเกินสู้ไม่ไหว เออเอาไปเหอะเกะ ก, กะบ้านแล้วไม่มีเงินจะเติมน้ำมันแล้วร่างกายนี้ก็เหมือนกันเรายืมโลกมาใช้เจ้าของคือโลกเขาพยายามทวงคืนอยู่ทุกวันเลยเดี๋ยวมันก็หิวใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันปวดเออปวดชีเดี๋ยวมันเจ็บมันไข้นี่เจ้าของเขาเตือนอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยเอามาคืนซสียทีเอามาคืนซสีทีแต่เราก็น่าด้านหน้าทนเราไม่คืนเรารู้สึกว่าเป็นของดีของวิเศษ ร่างกายนี้นำความสุขมาให้เราเราเฝ้ารู้ลงไปจนลึกซึ้งเลยมันมีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ทำอะไรอะไรร่างกายก็มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เราคอยมีสติรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นอย่างนี้เห็นไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งก็วางไม่ยึดถือกายก็เป็นพระอนาคามีได้ การปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวแล้วร่างกายน่ะรู้นะแต่รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราจะเห็นร่างกายเหมือนเงาเงเท่านั้นแหละร่างกายเหมือนภาพลวงตาเห็นอย่างนั้นทั้งวันเลยเห็นเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกแต่จิตใจนี่แหละมันคือตัวเราที่แท้จริงนี่มันจะยึดถืออยู่ตรงนี้มันจะเห็นเลยจิตนี้มีความสุขจิตนี้เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมานี่เห็นผิด แต่ยังอุตส่าห์อ้างพุทธพจน์ได้ว่าจิตเดิมนั้นมันประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จรมานี่เข้าใจว่าเข้าใจธรรมะทั้งหมดอันนั้นท่านพูดถึงธรรมชาติของจิตว่าโดยตัวของมันเองผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ท่านไม่ได้บอกว่าตัวธรรมชาติเดิมของจิตนั้นบริสุทธิ์นะคําว่าในเครื่องหมายคําพูดประพัดสอนกับคําว่าในเครื่องหมายคําพูดบริสุทธิ์นี่คนละเรื่องกันเลยจิตเราไม่ได้บริสุทธิ์ จิตเดิมของเรานี้มีอาสวะกิเลสย้อมอยู่ตลอดเวลาอนุสัยกิเลสก็แทรกตัวอยู่ในส่วนลึกวันดีคืนดีก็ปรุงเป็นกิเลสหยาบหยาบขึ้นมาอีกจิตใจไม่ได้ดีวิเศษอะไรจริงหรอกแต่ว่าตอนที่กิเลสมันนิ่งลงไปมันเหมือนน้ําในตุ่มเด็กรุ่นนี้เริ่มไม่รู้จักตุ่มน้ําแล้วน้ําในตุ่มนะเรารองน้ําใส่ตุ่มเอาไว้ทีแรกน้ํามันขุ่นต่อมาเราไม่ไปยุ่งกับน้ําเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันตกตะกอนน้ามันใส จิตนี้เหมือนกันจิตนี้แหละไม่ใช่น้ําสะอาดน้ําในตุ่มยังไม่ใช่น้ําสะอาดไปตักมาจากคลองไปตักมาจากบ่อไม่ใช่ของสะอาดแต่ว่าพอมาใส่ตุ่มเอาไว้แล้วมันตกตะกอนเห็นไหมเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันใสจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมันนะมันใสมันผ่องใสแต่ว่ามันยังเจือด้วยกิเลสอยู่วันหนึ่งมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเรียกว่าไม่บริสุทธิ์หรอกเราต้องค่อยๆเรียนนะฝึกไปเรื่อยจนเห็นความจริง เฮ้ยจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดนึกหรอกแต่เดิมเราไม่เข้าใจเราก็พยายามรักษาจิตถ้าจิตของเราสงบจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตของเราก็เป็นผู้เบิกบานใช่ไหมทีนี้พอฝึกจนถึงขั้นพระอนาคามีนะสมาธิมันบริบูรณ์จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันเลยมันรู้สึกว่าตัวผู้รู้นี่แหละเป็นของดีของวิเศษที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยถ้าเราอยู่กับตัวผู้รู้นี่เราไม่ทุกข์ ถ้าเราเป็นตัวผู้หลงเมื่อไรถึงจะทุกข์ฉะนั้นจิตนี้ดีนะจิตตัวผู้รู้นี่ดีใจมันจะยึดตัวดีนี้ไว้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยวางจิตต่อเมื่อวันใดมีสติปัญญาแก่รอบจริงๆตัวจิตนั่นแหละกลายเป็นตัวทุกข์ให้เราดูมันพลิกของมันเองมันพลิกให้เราดูเองอยู่ๆจะไป น, นึกเอาว่าตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์มันนึกไม่ออกหรอกเพราะไม่เคยเห็นต้องมีสติมีปัญญาแก่กล้าพอมันจะพลิกตัวให้ดูมันทุกข์ล้วน ไม่มีอะไรทุกข์เท่านี้อีกแล้วอย่างบางคนบอกว่าอกหักทุกข์มากอกหักในโลกโอ้เคยเจอความทุกข์คืออกหักเมื่อก่อนมีเพลงอกหักไม่ยักกะตายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีเพลงอะไรไม่เคยฟังตัวจิตผู้รู้นี่ถึงไม่อกหักมันก็ทุกข์มันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกมันทุกข์จนเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้มันต่อไปเราจะตายแล้วอกหักเฉยๆเรารู้ว่าอกหักไม่ตายนะ อกหักแล้วกำลังกลุ้มใจอยู่เสียอกเสียใจอยู่เราก็รู้ว่าเสียอกเสียใจอยู่หายเลยแต่ตัวผู้รู้เวลามันกลายเป็นตัวทุกข์ให้ดูนี่ยิ่งรู้มันยิ่งทุกข์ยิ่งรู้มันยิ่งทุกข์ทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆทุกข์เหมือนจะตายเลยทุกข์เหมือนไม่ตายก็บ้านี่ใจมันต้องเห็นทุกข์ถึงจะยอมวางครูบาอาจารย์ถึงบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายไม่ภาวนากันจนถึงขีดสุดจริงๆไม่ยอมปล่อยวางหรอกเพราะเราหวงเราหวงอะไรที่สุด ระหวงจิตมากที่สุดบางคนบอกว่าห่วงกายไม่จริงนะลองไปดูตามโรงพยาบาลเวลาคนไข้เจ็บหนักๆทุรนทุรายจะรู้สึกอยากตายแล้วคนไข้จํานวนมากโอ้เมื่อไหร่จะตายหมอช่วยฉีดยาให้ตายทีแหน่เห็นหมอเป็นเพชฌฆาตให้หมอฉีดยาให้ตายเสียทีความจริงอย่าไปกินอะไรเดี๋ยวก็ตายอย่าพยายามหายใจเดี๋ยวก็ตายเนี่ยพอเจ็บหนักขึ้นมายอมเสียร่างกายเพราะจิตมันทุรนทุรายเห็นไหม เอาเข้าจริงรักจิตมากกว่ากายฉะนั้นกว่าจะเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วปล่อยวางจิตนะยากต้องเอาชีวิตเข้าแลกธรรมะขั้นสุดท้ายนี่ขั้นโสดาสกิทาคาอะไรนี่อยู่กับโลกอย่างนี้แหละถือศีลห้าเอาไว้พอรู้ลงไปในกายรู้ลงไปในจิตใจของเราทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยอย่างนี้พอทำได้อยู่พอได้สกิทาคามีแล้วจะขึ้นพระอนาคามีนี้ควรจะถือศีล8เพราะศีลป น, นี่ประพฤติพรหมจรรย์ งดกามถ้าเราเสพกามเราจะไม่เห็นกามเป็นโทษหรอกแต่ถ้าเมื่อไรตั้งใจงดเว้นแล้วไม่ได้เสพกามนี่จะเห็นทุกมหาศาลอย่างพวกพระที่ท่านภาวนาขั้นสูงสูงขึ้นมาภาวนาง่ายเพราะพระนี่ตั้งใจไม่เสพกามจะเห็นทุกเพราะกามของเราไม่เห็นกามมาโทษเราเห็นกามมาคุณใช่ไหมเราอยากจีบสาวเราก็จีบมันก็สวยดีนี่หว่าไม่เห็นเป็นไร ฉะนั้นถ้าจะภาวนาให้ได้สกิทาคามีก็ควรถือศีลแปดเอาไว้มันจะได้ฝึกจิตฝึกใจของเราขึ้นมาได้แล้วก็ควรไปบวชเพราะถัดจากนั้นแล้วถ้าเป็นคาราวาสจะทำที่สุดแห่งทุกข์ยากกระทบกระทั่งแรงฉะนั้นถ้ายังไม่ได้อนาคามีก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนบวชนักหรอกหรือได้อนาคามีแล้วยังไม่คิดว่าจะจบในชีวิตนี้ไม่รีบร้อนก็ไม่จำเป็นหรอก แต่ถ้าคิดจะเอาให้ถึงที่สุดจริงๆเพศที่เหมาะที่สุดกับการปฏิบัติในขั้นแตกหักคือเพศของพระเพราะพระไม่มีทุระอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็ภาวนาภาวนาพอสมควรแล้วก็ไปบินธบาตไปเดินบินธบาตก็ไม่ได้เสียเวลาขณะที่เดินบินธบาตก็คือเดินจงกรมนั่นแหละก็คือภาวนา